พุทธรสวัสดีนะคะท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสรสนีสนทนาซึ่งดําเนินรายการโดยดิฉันสันสนิษฐาคะงและรายการนี้มีความตั้งใจที่จะให้ท่านผู้ฟังไม่ว่าจะฟังอยู่ที่ FM 106หรือว่าวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรตินั้นได้มีโอกาสเข้าถึงคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในส่วนที่เรียกว่าพุทธวจนะธรรมวินัยจากพุทธโอด์ เราก็ยังมีทั้งการที่จะให้ท่านเกิดความกระจ่างชัดเกี่ยวกับคำสอนของพระพุทธองค์ตลอดจนได้มีส่วนของการปฏิบัติธรรมไปพร้อมๆกับฟังคำของพระพุทธเจ้าโดยในส่วนที่สองเนี่ยนะคะจะเป็นส่วนเริ่มต้นของรายการซึ่งท่านมาร์คคือพระมาร์คชาคาวโรจากวัดนาป่าพงลำลูกกาคลองสิบจะมาเป็นผู้นาในการปฏิบัติธรรมและบอกพุทธวจนะให้กับท่านฟังค่ะ ัเจริญพรวันนี้เราก็มาเจริญอาณาปานาสติทำความเพียเพรเผากิเลสกันต่อพร้อมกับฟังพุทธวจนะไปพร้อมๆกันพร้อมแล้วก็เริ่มได้เลยก็ให้เรามีสติรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกจิตหลุดไปคิดในเรื่องใดก็ตามให้รีบกลับมาตั้งสติอยู่กับลมหายใจเข้าและลมหายใจออก พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสถึงการเกิดขึ้นของพระองค์ไว้ว่าภิกษุทั้งหลายตถาคตเกิดขึ้นในโลกนี้เป็นพระอรหันต์ผู้ตรัสรู้ชอบด้วยตนเองสมบูรณ์ด้วยวิชาและเจรณนะดำเนินไปดีรู้แจ้งโลก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 ชนเหล่าใดถือว่าเรื่องนี้ควรฟังควรเชื่อข้อนั้นจกเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ชนทั้งหลายเหล่านั้นสิ้นกาลนานพระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ตรัสสอนถึงการให้เรามาอบรมให้มากในกายคตาสติโดยท่านได้ตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุเห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นสัมผัสปถะพะด้วยกายรู้ธรรมารมด้วยใจ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 ในกายคตาสติแล้วตาก็จะไม่ฉุดเอาพิกษูนนั้นไปหารูปที่น่าพอใจรูปที่ไม่น่าพอใจก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยักขยังหูก็จะไม่ฉุดเอาพิกษูนนั้นไปหาเสียงที่น่าฟังเสียงที่ไม่น่าฟังก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอ รู้สึกอึดอัดขยักขแยงจมูกก็จะไม่ฉุดเอาพิกสูนนั้นไปหากลิ่นที่น่าสุดดมกลิ่นที่ไม่น่าสุดดมก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยักขแยแงงลิ้นก็จะไม่ฉุดเอาพิกสูนนั้นไปหารสที่ชอบใจรสที่ไม่ชอบใจ ก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยักขยงกายก็จะไม่ฉุดเอาพิกสุนั้นไปหาสัมผัสที่ยั่วยวนใจสัมผัสที่ไม่ยั่วยวนใจก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยักขยงและใจก็จะไม่ฉุดเอาพิกสุนั้นไปหาธรรมอารมณ์ที่ถูกใจ ทำอารมณ์ที่ไม่ถูกใจก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยักขยงพิกษุททั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพึงสำเหนียกใจไว้ว่ากายะคาตาสติของเราทั้งหลายจะเป็นสิ่งที่เราอบรมกระทําให้มากกระทําให้เป็นยานเครื่องนำไป กระทำให้เป็นของที่อาศัยได้เพียรตั้งไว้เนืองเนืงเพียรเสริมสร้างโดยรอบคอบเพียรปารับสม่ำเสมอด้วยดีดังนี้เพศสุขทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้แ ล, แลเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เราสำรวมระวัง ในตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่สยบอยู่ในอารมณ์ที่น่ารักไม่เคียดแค้นในอารมณ์อันไม่น่ารักตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติคือลมหายใจหรืออิริยุตรอื่นของร่างกายสำหรับวันนี้เราก็ปฏิบัติมาได้สมควรแก่เวลาใครจะออกจากสมาธิก็ทำได้หรือใครจะนั่งสมาธิเพื่อฟังช่วงถัดไปก็ทาได้ เดี๋ยววันจันทร์หน้าเรามาประพฤติปฏิบัติทงความเพียรเผากิเลสกันต่อค่ะาอาจารย์ค่ะสาวอาทิตย์นี้ก็ไปฝึกฝนกันด้วยได้ใช่ <c oughs> ก่อน <c oughs> ที่จะกลับมาพบกับท่านอาจารย์อีกครั้งหนึ่งใช่เวลาสามเวลาก็ได้เชา้ากลางวันเย็นนะคะ <c oughs> และรับรองว่า จะก้าวหน้าอย่างแน่นอนสําหรับการเจริญกายคตาสติวันนี้ก็ต้องน้อมสักการขอบพระคุณท่านมาร์คนะคะพระมาร์คชาควโรท่านอยู่ที่วัดนาป่าพงค์วัดเดียวกับพระอาจารย์คริสต์โสธิพโลนะคะอยู่ลําลูกกาคลองสิบค่ะน้มสักการขอบพระคุณค่ะเจริญพร